เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมต้องมีนะราวนาถูกต้องชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะไม่ใช่เลวลงนะไม่ว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เคยขโมยขโมยแหลกเลยโอ้ยอย่างนั้นแย่นะภาวนาถูกต้องชีวิตต้องเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็ต้องทุกข์น้อยลงนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยเห็นแก่ตัวก็รู้ทันเนะ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 กิเลสเกิดแล้วเราก็มีสติรู้ทันกิเลสเกิดแล้วมีสติรู้ทันนะมันจะมีสมการความรู้สึกตัวบวกหนึ่งนะจะเท่ากับความหลงก็มีบวกหนึ่งนะเพราะมันเน้อยกว่าความหลงอยู่หนึ่งเสมอเลยการภาวนาไม่ยากนะไม่ยากขั้นแรกสุดเลยรักษาศีลไว้ <c oughs> ต่อไปก็ฝึก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 รักษาศีลแล้วก็มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญปัญญานะขั้นที่3ล้ขั้นเจริญปัญญาขั้นที่1มีศีลขั้นที่2มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นที่3มาเจริญปัญญานะค่อยรู้สึกนะรู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจเห็นขะัน <He> มันทํางานไม่ใช่เราเห็นขะันท <s> ่าทำงานไม่ใช <s> ่ต <s> ัวเรา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 ทำเหตุในปัจจุบันเนี่ยให้ตรง<ด>กับผลในอนาคตแล้วก็สอนด้วยว่าคือวิธีฝึกดูจิตที่หลวงพ่อสอนโยมเนี่ยให้โยมคอยมีสติตามรู้ว่าโยมกำลังคิดอะไรรู้สึกอะไร ค, คือสอนได้ดีมากนะคะระทั่งจบเรื่องแล้วเนี่ยโยมก็กลับมานึกขึ้นได้ทำไมเราฉลาดจังเสร็จแล้ว <laughs> ก็นึกได้ว่าตัวเองไม่ได้ฉลาด <laughs> ตัวเองก็ยังโง่ซื่อเหมือนเดิม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 รู้สึกได้ครับนะร้อยหกสิบหกน้มาสการหลวงพ่อครับมาส่งกันบ้านนั้งแต่ะปลายปีที่แล้วะครับก็ที่ผ่านมาก็พบว่าชีวิตเบาขึ้นนะครับทุกข์ก็เห็นชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทางออกของทุกข์ก็คือตัวทุกข์ครับอะไรนะทางออกของทุกข์ก็คือตัวทุกข์เองนะครับเป็นยังไงทางออกเป็นตัวทุกข์เหมือนกับเรา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 ไปทางด่วนศรีนครินนะคะห้ อ, องน้ำก็เลยเดินผ่านก็เลยเขาแจกแเหรอค่ะหรือไปหยิบของใครเข้ามาเ <laughs> <laughs> ขาเขาแจกค่ะ<อ>นี่พวกทางด่วนเข้ามาเรียนเยอะอยู่ <laughs> พวกทางด่วนนะบอกเมื่อก่อนพขากลุ่มใจมากเลยนะเขานั่งในตู้แคบๆอ่ะแล้วทั้งวันอยู่อย่างนั้นนะนะงานที่ทํานี้ซ้ําซากที่สุดเลยในชีวิตเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายใส่เพลงใส่หูฟังนะ